ดำเนินรายการโดยดรนิสากรไพบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการมุมมองข่าววันนี้พบกับดิฉันดรนิสากรไพบุญสินทาง fm 8 9 5เมกะเฮิรสถานีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะ วันนี้เรื่องราวของมุมมองข่าวนะคะมีหลากหลายเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นนะคะเรื่องของนักศึกษาชาวรัสเซียนะคะได้ช่วยประเทศรัสเซียพบเกาะใหม่ถึง5แห่งในแถบอาร์กติกหลังแผ่นน้ําแข็งละลายค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วนํามาเสนอคุณผู้ฟังในเรื่องของรายละเอียดนะคะ สถานีโทรทัศน์ RT ของรัเสเซียเช่นกันค่ะได้ระบุพิกัดของประเทศนิวซีแลนด์ผิดนะคะงานนี้ก็ต้องออกมาขอโทษกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เตรียมจัดหากัญชาถูกกฎหมายนะคะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของกัญชาในตลาดมืดค่ะเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะ ยังคิดถึงฉัน จใจคิดถึงเธอรู้ไหมคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนดี หนังสือพิมพ์ม c สโ t i ทม s ได้รายงานว่านักศึกษาสาวในโรงเรียนพาณิชนาวีแห่งหนึ่งของรัสเซียได้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติด้วยการค้นพบดินแดนใหม่ถึงห้าเกาะในบริเวณพื้นที่ห่างไกลแถบอาร์กติกหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นน้ำแข็งละลายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศค่ะ รายงานได้ระบุว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2016มารีน่ามิกูโนว่าได้ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยด้านพานิทนาวีในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเธอได้ตรวจสอบแผนที่ดาวเทียมที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแผ่นน้ำแข็งในแถบอาร์กติกและบังเอิญพบเข้ากับเกาะขนาดเล็กขนาดกลางจานวน5้าเกาะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนบริเวเขตโนวายาเซมอยา ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลของรัสเซียในมหาสมุทรอาร์กติกเกาะที่เธอค้นพบทั้งห้าแห่งนี้มีขนาดระหว่าง900ถึง 54,500 ตารางเมตรและทั้งหมดอยู่ในอ่าวไวส์เบย์ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่รัสเซียเคยใช้ทดสอบระเบิดปรมาณูมาหลายครั้งรวมถึงระเบิดซาบอมบ้าหลังเธอรายงานการค้นพบดังกล่าวกองทัพรัสเซียก็ได้ยืนยันว่า เกาะทั้ง5แห่งนั้นมีอยู่จริงพร้อมทั้งระบุพิกัดของเกาะทั้ง5แห่งนี้ลงในแผนที่การเดินเรือในเส้นทางอาร์กติกก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะคะปัจจุบันนางสาวมิกุโนวาทำงานเป็นวิศวกรสมุทรศาสตร์ในกองทัพเรือรัสเซียประจำการอยู่กองเรือเหนือทางนี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินอุณหภูมิในส่วนต่างๆในแถบอาร์กติกบริเวณโนวายาเซมิยา ว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 6-7 องศาและสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 1961-1990 ถึงค่ะเรายังคงอยู่ที่รัสเซียนะคะสถานีโทรทัศน์ RT ของรัสเซียได้ถแถลงขอโทษประชาชนชาวนิวซีแลนด์หลังจากที่สถานีนำเสนอรายงานข่าวแต่ทว่าเกิดความผิดพลาดทางกรา ฟ, ฟิกระบุว่าแผนที่ของเกาะนิวซีแลนด์คือประเทศญี่ปุ่น ส่วนบนของแผนที่ของประเทศปาปัวนิวกินีถูกระบุว่าเป็นเกาหลีใต้ความผิดพลาดครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สถานีโทรทัศน์อาทีรายงานข่าวเกี่ยวกับสหรัฐอาจติดตั้งฐานต่อต้านขีปนาวุธแห่งใหม่ในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียแต่เทาว่าลักษณะาทางภูมิศาสตร์ทั้งสาประเทศนี้อยู่ห่างจากกันจึงเกิดความผิดพลาดขึ้น และหลายครั้งนะคะที่นิวซีแลนมักจะตกหล่นจากการแสดงบนแผนที่โลกหลายกรณีค่ะจึงส่งผลให้ในายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาเดิร์นนะคะได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวภายใต้แคมเปญการท่องเที่ยว สำหรับประเด็นการติดตั้งขีปนาวุธในเอเชียของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลง INF ซึ่งเคยลงนามร่วมกับโซเวียตโดยภายหลังที่สหรัฐถอนตัวออกจากประเด็นดังกล่าวสาหรัฐจึงได้เริ่มการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางทันทีส่งผลให้รัสเซียได้วางแผนทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเช่นกันเราไปกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ เนเธอร์แลนด์ได้เตรียมทดลองจัดหากัญชาจากผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้คาเฟ่กัญชาตามเมืองต่างๆในเนเธอร์แลนด์เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบซื้อกัญชาจากตลาดมืดรวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้กับธุรกิจกัญชาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะกฎหมายของเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้คาเฟ่กัญชาได้รับใบอนุญาตขายกัญชาให้ลูกค้าเท่านั้น แต่การผลิตและการจัดหากันชาจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายดังนั้นคาเฟ่จึงต้องพึ่งกันชาในตลาดมืดจึงทำให้ธุรกิจกันชาในตลาดมืดเฟื่องฟูมากขึ้นค่ะและนะคะคาเฟ่กันชาที่มีอยู่ใน10เมืองของเนเธอร์แลนด์นะคะอย่างเช่นเมืองอันเดมอันเมียเบลดาโคนิเกอร์เฮรนมาสติกชาร์สตดนีนะคะก็จะเข้าร่วมทดลองนะคะ ในการจัดหากัญชาจากผู้ผลิตนะคะเป็นเวลา4ปีคะ่ะและก็จะได้รับการจัดหากัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพจากผู้ปลูกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะต้องหยุดจำหน่ายกัญชาจากตลาดมืดอย่างเด็ดขาดด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังกัญชาที่ลักลอบปลูกในเนเธอร์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกส่งออกค่ะทางการจึงกังวลว่ามาตรการดังกล่าวนี้อาจจะไม่เพียงพอให้ผู้ลักลอบปลูกกัญชาหันกลับมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ดีกว่านะคะแต่นะคะในมุมมองของเจ้าของคาเฟ่กัญชาก็มองว่า ถ้ารัฐเรียกเก็บส่วนแบ่งจากคาเฟ่สูงกัญชาราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะผู้ซื้อกัญชาบางรายก็อาจจะกลับไปซื้อกัญชาจากตลาดมืดที่มีราคาต่ากว่านะคะก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็คิดนะคะในด้านหนึ่งนะคะแต่อาจจะหลงลืมไปอีกด้านหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่ สามารถที่จะจำหน่ายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกับมุมมองข่าวในช่วงที่สอง i g n o r a n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 RMUT Towards Moving Innovative University พบกับมุมมองข่าในช่วงที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเปิดตัวกองบัญชาการแห่งใหม่ซึ่งเป็นกองบัญชาการอาวกาศนะคะซึ่งอยู่ที่เพนตากอนศูนย์บัญชาการอาวกาศยังเป็นทางการนี้จะมีภารกิจในด้านความมั่นคงทางอาวกาศนะคะและใช้ชื่อว่า Space Com ะะมีเป้าหมายโดยการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและโลกในอวากาศการจัดตั้งครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นพัพร้อมกับความสามารถด้านอวากาศของคู่แข่งอย่างเช่นจีนและรัสเซียค่ะแต่ว่าสเปซคอมจะรับประกันว่าเหนือกว่านะคะและความเหนือกว่านี้จะไม่มีวันถูกคุกคาม แต่อย่างไรก็ตามค่ะการจัดตั้งกองกำลังใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการรื้อฟื้นหน่วยงานมากกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ในปี2002องกองบัญชาการอวกาศสหรัฐได้ถูกยุบรวมกับกองบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ของประเทศแต่การตั้งศูนย์บัญชาการอวกาศครั้งนี้ถือเป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ของกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบ10ปีเลยค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะได้มีการตั้งกองบัญชาการไซเบอร์ขึ้น ด้วยปัจจุบันเพนตะก้อนก็มีหน่วยบัญชาการทางทหารทั้งหมด10หน่วยนะคะและการจัดตั้งกองบัญชาการอาวากาศก็จะกลายเป็นกองบัญชาการที่11โดยมีนายพลจอห์นดับเบิลรรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการค่ะและก็เป็นการปูทางนะคะไปสู่การสร้างกองทัพอาวากาศตามความดำริของนายทรัมป์นะคะโดยมีลักษณะเช่นเดียวกับกองทัพบกกองทัพเรือ และกองทัพอากาศนะคะตามมาด้วยกองทัพด้านอวกาศอีกแห่งหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรายังคงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ที่ดิฉันนำมาเสนอนี้คุณผู้ฟังในประเทศไทยหลายหลายคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าบริษัทเนสเล่นะคะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสวิสแลนด์นะคะเป็นผู้ผลิตน้าดื่มหลากหลายยี่ห้อในสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นขออนุญาตจากทางการท้องถิ่นรัฐฟลอริดาขอนำน้ำจากน้ำพุร้อนนะคะแหล่งน้ำพุร้อนจินนี่สปริงในรุ่มแม่น้ำซันตาเฟทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่ตามธรรมชาติมาทำน้ำดื่มบรรจุขวดขายค่ะแต่เรื่องดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีเสียงสะท้อนคัดคารนะคะจากหลายภาคส่วนด้วยกัน เนื่องจากว่าแหล่งน้ำจินนี่สปริงเป็นบ้านของเต่าหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงเป็นสถานที่พักผ่อนเล่นกีฬาทางน้ำและเป็นแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ จึงทำให้เกิดการคัดค้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีบริษัท s ซเว่นสปริงวอเตอร์คอมเป็นผู้ผลิตน้ำแร่ในพื้นที่ได้รับสัมปทานการผลิตน้ำมานานกว่า20ปีและกำลังจะหมดสัญญาในเร็วๆนี้ค่ะทางเนสเลก็จะเป็นผู้ซื้อน้ำจาก s ซเว่นสปริงวอเตอโดยขอยืดอายุสัมปทานไปอีก5ปีและขอสูบน้ำเพิ่มขึ้นกว่าวันละ 1.1 ล้านแกลลอนนะคะซึ่งก็มากกว่าในอดีตที่เคยสูบน้าอยู่ ที่ 0.26 ล้านแกลลอนเท่านั้นจึงส่งผลให้มีผู้คัดขานไงคะและผู้คัดขานก็ให้เหตุผลว่าแหล่งน้ำแห่งนี้กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูโดยเขตจัดการน้ำแม่น้ำส่วนนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ได้สูบน้ำออกไปจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากกลุ่มนักอนุรักษ์หลายภาคส่วนจึงพากันลงชื่อคัดขาน แต่ทางการท้องถิ่นนะคะก็จะมีการตัดสินในเรื่องนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามนี้นะคะเขตจัดการทรัพยากรน้ำส่วนนี้ซึ่งเป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำนี้นะคะยังต้องมีการประเมินว่าการสูบน้ำออกไปเป็นปริมาณมากขนาดนั้นของเนสเล่เนี่ยจะส่งผลต่อระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามนะคะเนสเล่ le, ก็ออกมาถแถลงการนะคะว่าบริษัทของเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของรัฐเช่นเดียวกับโรงงานผลิตน้ำแห่งอื่นๆเราไม่เป็นผู้นำน้ำจากสาธารณมาขายแต่เราซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนแห่งอื่นซึ่งมีใบอนุญาตและบริษัทเรานะคะก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของทรัพยากรที่เรานาออกมาใช้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะคงจะมีการตัดสินนะคะว่าทางเนสเลในสหรัฐจะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติวันละ 1.1 ล้านแกนลลอนในรัฐฟลอริดาได้หรือไม่นะคะทางมุมมองข่าวก็จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะน้ำแร่นะคะก็ยังถือว่ามีแร่ธาตุนะคะที่สำคัญสาคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าหากว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังก็จะมีแคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุในการสร้างกระดูกและฟันนะคะช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงแร่แมกนีเซียมนะคะก็อยู่ในกลุ่มของเกลือแร่นะคะที่มีอยู่มากมายในร่างกายแมกนีเซียมก็จะทาหน้าที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ฟูอัลไลนะคะซึ่งเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติเช่นกันก็ช่วยป้องกันฟันผุชะลอการสลายของแร่ธาตุต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบ1ใน5ที่ช่วยป้องกันเสริมกระบวนการคืนกลับมาของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันนะคะทำให้ฟันแข็งแรงไอโอดนะคะก็จะเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญ ต่อการทํางานของต่อมไทรอยด์และควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายและโพแทสเซียมนะคะก็เป็นแร่ธาตุที่ทํางานร่วมกับโซเดียมในการควบคุมสมดุลของน้ําในร่างกายและช่วยทําให้หัวใจเต้นเป็นปกติค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในสหรัฐอเมริกานะคะที่นี้เรามากันที่กรุงโตเกียวกันบ้างนะคะ ดิอีโคโนมิสอินเท l l i เ e จิเอนต์ยูนิตได้เปิดเผยรายงานดัชนีเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดทั่วโลกประจาปีนี้นะคะและได้มีการจัดอันดับพบว่ากรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกนะคะจากการจัดอันดับถึง3ครั้งโดยนะคะได้รับคะแนนทั้งสิ้นเ2องคะแนนนะคะอันดับที่2งคือสิงคโปร์และอันดับที่3คือโอซาก้าค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในอันดับที่47ร่วมกับนครโฮจิมินห์ของเวียดนามนะคะอยู่ที่คะแนน 57.6 นะคะและการจัดอันดับครั้งนี้ The Economist ได้รวบรวมข้อมูลนะคะจาก4ด้านด้วยกันก็คือด้านดิจิตอลนะคะซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้านสุขภาพที่มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นความปลอดภัยของคนเดินถนนและด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลก็คือความเสี่ยงต่ออาชญากรรมค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนบ้างนะคะสำนักสินหัวของประเทศจีนได้เปิดเผยว่านครฉังชาซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของประเทศจีนได้เปิดตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดถดนน 5G จํานวน6ตัวเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ หุ่นยนต์นี้นะคะถูกพัฒนาโดยบริษัทชางซาซ o มไล on นแอนเวอร์ n อน n มนอ s t ดัสสามารถตรวจจับและติดตามขยะกวาดและล้างถนนรวมถึงรวบรวมและขนส่งขยะโดยอัตโนมัติค่ะหุ่นยนต์ดังกล่าวนี้ได้ถูกนำไปใช้งานบนเกาะจีจอโจรหรือเกาะส้มซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในชางซาแล้วและหุ่นยนต์ 5G นี้นะคะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีไลด้าคลื่นมิลลิเมตรเรดาร์คลื่นเสียงความถี่สูงกล้องความละเอียดสูงหลายตัวและโมดูล 5G ที่มีความสามารถในการสื่อสารและตอบโต้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องราวของ GM มอเตอร์นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่มากเลยนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้ประกาศแผนการเลิกจ้างพนักงานอย่างน้อย 15,000 หาตำแหน่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละสิบห้าของพนักงานในบริษัทค่ะซึ่งการเลิกจ้างพนักงานนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เพื่อรุกตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและรถขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของอเมริกา GM Motor ก็ยังมีแผนที่จะระงับการผลิตในโรงงาน ในรัฐโอไฮโอมิชิแกนเมรุยแร์ของสหรัฐอเมริกาและในออนตาริโอของแคนาดาในปีหน้าด้วยนะคะรวมไปถึงยุติการผลิตรถยนต์รายรุ่นในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตครูซคา c a ดร็กซีทีหกและบูอีกลาคอสค่ะส่วนถานด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์แห่งสหรัฐอเมริกาก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะหลังจาก ที่ GMMotor ได้ประกาศแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการระ ง, งับการผลิตในโรงงานที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในฐานเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งป ร, ประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังนะคะดิฉันคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ